รู้จักตัวเองจริงคือรู้ว่าตัวเองไม่มีในทางจิตวิทยาการทำความรู้จักตัวเองไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะคนเรามีกลไกการป้องกันตัวเองไม่ให้เห็นความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับตัวเองเนื่องจากความจริงบางส่วนไม่น่ายอมรับบางเรื่องก็เป็นอารมณ์อยากที่น่ารังเกียจ บางเรื่องก็เป็นความรู้สึกนึกคิดที่น่าอายบางเรื่องก็เป็นความเชื่อที่น่าขบขันสรุปว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตที่โผล่ขึ้นแบบไม่รู้เหนือรู้ใต้มาเป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกนึกคิดแบบที่ไม่เต็มใจให้มาแบบที่ไม่รู้สึกว่าอยากมีแบบที่ไม่ต้องการจะเป็นจนหลายครั้งต้องออกแรงกดทับไว้ หรือไม่ก็ต้องหาทางหลอกตัวเองคิดอยู่ชัดๆก็สะกดจิตว่าไม่ได้คิดเคยพูดบอกใครไปคําไหนก็แกล้งทําเป็นลืมหรือไข้สื่อออกอาการโมโหปฏิเสธหน้าแดงเสียงดังเมื่อมีคนอ้างถึงนอกจากหลอกคนอื่นหลอกตัวเองเพื่อจะได้ไม่ต้องเป็นสิ่งที่ตัวเองไม่ต้องการยังมีเรื่องของความอยากได้อยากมีที่ซับซ้อน ยังมีการสั่งสมความรู้ความเข้าใจที่ผิดเพี้ยนยังมีภาพตัวตนที่ปนเประหว่างคิดไปเองว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือภาพที่รู้แก่ใจว่าไม่ได้เป็นแต่อยากให้คนอื่นนึกว่าเป็นรวมทั้งภาพที่คนอื่นพูดยัดเยียดให้คิดให้รู้สึกไปสงสัยและสับสนว่าตัวเองเป็นเช่นนั้นแน่หรือเปล่าทั้งหลายเหล่านี้ ทับซอนแออัดจนยากจะจำแนกแยากแยะว่าอันไหนจริงไม่จริงฉะนั้นกว่าจะรู้ว่าตัวเองจริงๆเป็นคนอย่างไรบางทีก็อาจต้องถูกโลกตบตีให้ยอมรับอยู่ครึ่งค่อนชีวิตการทำความรู้จักตัวเองแบบโลกโลกที่ว่ายากเหล่านั้นเอาข้อจริงก็ยากแค่การทำใจเปล่าคือ หากทำใจเผชิญหน้ากับเงาตัวเองในกระจกได้ก็รู้ได้ว่าตัวเองน่าดูหรือไม่น่าดูกว่าเมื่อวานหากทำใจเผชิญหน้ากับความจำในจิตได้ก็รู้ได้ว่าตัวเองกำลังคิดหรือไม่คิดอะไรอยู่เคยพูดหรือไม่เคยพูดอะไรไปแล้วแต่ที่ยากกว่าการทำความรู้จักกับตัวเองแบบโลกโลกคือการรู้จักตัวเองจริงๆแบบพุทธ เพราะคุณแค่ทำใจยอมรับอย่างเดียวไม่พอต้องเอาชนะสัญชาตญาณดิบของการสำคัญผิดไปว่ามีตัวมีตนของคุณด้วยสัญชาตญาณดิบที่สำคัญว่ามีตัวตนอยู่แน่ๆไม่ได้มีสะสมกันแค่ชาตินี้เพราะมีการหมักหมมของกิเลสนับชาติไม่้วนที่เรียกกันว่าอาสวะอันได้แก่ความเสพติดในการมคุณห้า คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าชอบใจการกลัวไม่มีตัวตนการยึดความเชื่อความเห็นละวาทะแบบข้ารู้จริงตลอดจนความไม่รู้เรื่องรู้ราวหรือว่าที่มามีความแตกต่างกันขนาดนี้เหตุคืออะไรและที่ทํำทามอยู่ทุกวันนี้จะมีผลแบบไหนและถ้าหากไม่อยากให้มีภาวะแบบนี้อีกต้องทําเช่นไรบ้าง แม้สดับฟังถ้อยคำจากผู้รู้แจ้งเช่นพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสว่ามาเป็นอย่างนี้เพราะกรรมเก่าต้องเป็นอย่างอื่นเพราะกรรมใหม่จะดับกรรมก็ด้วยการเห็นว่ากายใจนี้ไม่ใช่ตัวตนที่น่าติดใจสดับฟังแล้วก็ไม่ได้ประกันว่าจะหายสงสัยหรือเกิดความรู้แจ้งตามพระองค์กันง่ายๆเพราะเรื่องกรรมเกรรม่ากรรมใหม่ชาตินี้ชาติหน้า เป็นเรื่องคิดคเนเอาเล่นเล่นไม่ได้ธรรมชาติบังคับให้นึกว่ามีแต่สิ่งที่หูตารู้เห็นแล้วก็อยากจะฟันธงแบบไม่ต้องพิสูจน์ว่ามีกายใจนี้เป็นของของตนอยู่เพียงหนึ่งเดียวแน่ๆอยากได้อะไรให้ทำเอาแค่ชาตินี้ไม่มีชาติหน้าให้รับผลใดๆทั้งสิน้นต่อเมื่อมีศรัทธาพอจะยอมรับในขั้นต้นว่า อะไรๆในกายใจไม่เที่ยงและมีแก่ใจเพียงพยายามตามเห็นกระทั่งรู้ว่าไม่มีสิ่งใดในกายใจเป็นตัวเดิมสักอย่างเห็นชัดกระทั่งความรู้สึกนึกคิดว่าโผล่มาเป็นห่วงๆไม่ใช่ตัวเดียวกันแต่ทุกตัวหลอกจิตเหมือนๆกันว่าเป็นตัวเดิมนั่นละ่ะจึงอยู่บนเส้นทางแห่งการค่อยๆทําความรู้จักตัวเองจริงๆ กระทั่งประหารอุปาทานว่ามีตัวตนพ้นทุกข์จากการสำคัญผิดว่ามีตัวตนเสียได้